ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระบทียานกำลังนำเสนอเรื่องปจัจจเวกขณะสมาธิในช่วงของทศสะอพินหาปจัจจเวกขณะคือข้อที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองสิบประการซึ่งก็ได้กลา ม, มาโดยํำดับ มาถึงข้อที่ห้าที่ว่าบรรปะชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเพื่อนสัพพมจารีผู้มีศีลเป็นบินยูชนพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่คือการติเตียนคนได้นั้นที่จริงก็ติเตียนที่แสดงออกทางกายกับทางวา จ, จาคือความคิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง เป็นายแต่ท่านที่มียานย่างรู้สภาวะจิตของคนท่านก็ให้สติตักเตือนได้พระวสษณาสอนให้ฟังท่านที่เรียกว่าเป็นบินยูชนตัวคนผ่านนั้นเราจะเอานิยายอะไรเขาไม่ได้เราก็ติได้ตลอด แต่บรรยูชนจะใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงหรือรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิคือหมายความจะดูที่กรรมไม่จะดูที่ตัวคนหรือใครทําไม่สําคัญหรอกแต่ปัญหาว่าเขาทาอย่างไรแล้วในส่วนดีก็ว่าดีส่วนไม่ดีก็ว่าไม่ดีคือไม่ใช่ตำหนิแบบเมาโลลงไป ตามปกติแล้วสังคมนั้นจะตำหนิแบบเมโาโหลจะยกจ่องแบบแยกส่วนเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วมีความริษยากับความเบียดเบียนเป็นฐานใจเป็นเรือนใจเวลาเขากระทำความชัว่วความผิดนั้นอาจจะทำเพียงเล็กน้อยแต่ว่ามันเข้าทางปืนเขา เขาก็ตาหนิตีเตียนละเลงเซเละเลยแล้วก็ลาาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเชลูกทำผิดไปด่าพ่อด่าแม่ด่าวงสกุลเขาอย่างเงี้ยซึ่งว่าที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกันมันเป็นการกระทำเฉพาะตัวคนแต่ว่าพื้นใจคนที่มีความเบียดเบียนอยู่เนี่ยมันชอบชอบซ้ําเติมชอบละเลงความชั่วของบุคคลให้กระจายแพร่หลายออกไป แต่พอก็ทําความดีเนี่ยที่ยกย่องแยกส่วนเพราะว่าคนไม่มีความริษยาก็เห็นคนอื่นทําดีแล้วก็มักจะทนไม่ได้แต่บางทีบางก็กรบเกลื่อนไม่ได้พวันก็ยกย่องเฉพาะตัวคนซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราจะทําดีเนี่ยมันต้องทํากันหลายคนจึงจะเกิดเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ แต่ทำชั่วนี่ทำคนเดียวก็ได้แต่คนแปลกคือว่าเวลาทำชั่วนั้นแม้คนเดียวก็พูดเหมือนหลายคนเวลาทา ด, ดีแม้หลายคนก็พูดเหมือนคนเดียวเพาพื้นใจที่ประกอบด้วยหิงสาคือความคิดเบียดเบียนกับริิยาคือทนเห็นความดีความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นไม่ได้ตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นปัญหา คนพระเจ้าก็สอนให้มองไปที่ว่าวินยูชนเขาว่ายังไงบ้างไหมที่เราทาอย่างนี้ถ้าเราพูดอย่างเนี้ยถ้าวินเยอะยูชนอย่างติเตียนได้เนี่ยก็แสดงว่าเรายังมีปัญหาเพราะว่าวินยูชนจะไม่โมเมจะพูดเฉพาะผิดจะพูดเฉพาะถูกเพราะโดยสูตรเนี่ยท่านวางเอาไว้ว่า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 แล้วก็ไม่เหมาโลคือว่าไปตามสมควรแก่กรณีดำก็ดำขาวกขาว็ขาวเขียวก็เขียวเหลืองก็เหลืองคือรายงานไปตามความเป็นจริงประการต่อไปนั้นเป็นการสอนในแนวเดิมก็มีอยู่สองข้อนะคือวันประชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไป ปานี้เป็นปนัญหาใหญ่เพราะว่าเวลามีการพระภาคสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักคนอันเป็นที่รักหรือว่าสัตว์อันเป็นที่รักนั้นคนจะเศร้าโศกเสียใจคือจะเพิ่มความทุกข์ซ้ำซากให้แก่ตัวเองมากยิ่งขึ้นพระพจน์ก็ทรงสอนในรูปที่ให้เปลี่ยนเตรียมใจยอมรับความจริงวราการพระภาคนั้นเป็นเรื่องนิรันดร์ไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไป เราก็เจอกันในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็อยู่ร่วมกันมากบางน้อยบ้างและถึงจุดหนึ่งก็ต้องจากไปอย่างช้าที่สุดเราตายจากเขาหรือเขาตายจากเราแต่ว่าการไม่พลาดนั้นจะไม่มีเลยการพรพาดพลาดจึงเกิดขึ้นแม้แก่พระพุทธเจ้าแม้แก่พระหรันทั้งหลยายเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ด้วยตาหน้าวปาทานท่านก็ไม่มีปัญหาเมื่อประสบกับการพรพาดาดสูญเสีย อยางในคราวที่ประสานบุตรพระโมคคัลล า, านิพานเนี่ยมันก็ก่อนการไปนิพานของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งก็หกเดือนคนหนึ่งก็ห้าเดือนครึ่งองค์หนึ่งก็ห้าเดือนครึ่งพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าการนิพานของประมาสาวกทั้งสองนั้นพระองค์เหมือนกับแขนขาดแต่ว่าก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธอะไรไม่ได้ มาถึงคราวก็คือต้องแระแา้ไปแต่ว่าสามัญชนนั้นเราจะขาดปัญญารู้เท่าทันระดับนั้นหันใจมันจะจฟูจะแฟบไปตามความเปลี่ยนแปลงในการประทางสูญเสียจึงทรงสอนในคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆจําทำใจไว้บ่อยๆแล้วก็ต่อไปก็คือ เป็นการสอนในมองในแง่ของของกรรมเหมือนเดิมคือเรื่องการพิจารณาในแง่ของกรรมเนี่ยข้อความมันจะซ้ำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเจอที่ไหนก็ได้คือพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันไดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ในกรณีของเรื่องของความพรักรากสูญเสียนีย้ในการย้ำเตือนให้บุคคลครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือดูแลรักษาคนรักษาสิ่งรักษาสัตว์จะเรารักตระวงแหนดานุถนองไม่้เกิดเป็นอันตรายโดยไม่จําเป็นเช่นไม่ระมัดระวังปล่อยให้ลูกตดาวไปเที่ยวเล่น ตกน้ำตกท่าตายไปหรือไปเล่นระเบิดเกิดเป็นอันตรายเป็นต้นหวังของเป็นพิษเป็นภัยเอาไว้ใกล้มือเด็กเด็กก็ไปจับเล่นแล้วเกิดเป็นอันตรายอันนี้แสดงประมาทเกินไปการระมัดระวังแล้วก็ในที่สุดก็ต้องสูญเสียและในส่วนของตัวเราเองเนี่ย ก็ทำเอ็นทึกหนึ่งอนัสติคือเราจะไปเจ้าข้าเจ้าของครอบครองอะไรอย่างไรก็ตามถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องตายการถือครองการครอบครองการเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันเป็นเรื่องสมมตุติเป็นได้ไมีได้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องประรากจากไปก็พร้อมที่จะทําใจให้ยอมรับความจริงอย่างนั้น ผลหลักเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สอนใน้คิดบ่อยๆหรือไปบ่อยๆในกรณีของกรรมเนี่ยมันเป็นทางเลือกคือเป็นการเสนอทางเลือกแล้วก็มีความชัดเจนในเชิงเหตุผลหมายความว่าเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอย่างเรายกตัวอย่างที่รัฐบาลเขาประชุม เรียกว่าวอร o มคือวางแผนทําสงครามกับยาเสพติดมันก็มุ่งไปในทางป้องกันยาเสพติดที่จะผิดขึ้นมาแล้วก็มีการจำหน่ายาจากแจกแล้วก็มีเศษมีการซุปกันซึ่งต้องลงทุนเยอะนะแล้วก็ไม่หวัดไม่ไหวเพราะว่า คนผิดเนี่ยเขาตั้งราคาไว้สูงสูงล้นปรีเลยนะล้นไม่รู้ะ ก, กี่เท่าเขาบอกว่าแถวเชียงตุงเนี่ยไม่ดึงก็ประมาณสิบบาทสิบกว่าบาทแต่มาขาย่อมาถึงเมืองไทยในแปดสิบแล้วไปถึงร้อยย0ิบร้อยห้าสิบสองร้อยะไรแต่อะไรเนี่ยขึ้นมพระพวกนี้ก็เลยก็กล้าเสียงเพราะว่ามันมีการตัดตอนได้ ไอ้ตัวเป็งๆจริงๆมันก็ไม่ถูกจับจนมากก็จับปซื้อบประส้อยกันแต่ถ้าเราย้ำเตือนให้คนของเราในสลาดถึงบาปกรรม ถ, ถึงโทษของการกระทำอย่างนั้นคุณของการไม่กระทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีตัวอย่างชัดเจนหรือว่าคนที่กลับใจเลิกยาเสพติด แล้วก็กลับตัวเป็นคนดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเนี่การนำมายกย่องนำมาให้คนยึดถือเป็นแบบอย่างมันก็จะเป็นดึงคนเข้ามาได้ส่วนหนึ่งเพราะจริงแนวการบริหารคนเนี่ยยังไงยังไงมันก็คือแนวสระน้าลูกยอกรไผ่ก็คงเป็นแนวหลักอยู่สาะน้าก็คือการให้ความรักความอบอุ่น ความเป็นกันเองความใกล้ชิดสนิทสนมกันความผูกพันกันชันญาติฉันรูบาาัยนฉันเพื่อนกับเพื่อนตลอดถึงฉันรัฐบาลกับรัศดแล้วก็มีการยกย่องชื่นชมต่คนที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีหรื่อละความชั่วด้แต่ว่าเวลาทำผิดพลาด ซึ่งยากต่อการที่จะให้อภัยเนี่ยมันก็ต้องมีการมาตรการก่อไผ่คือลงโทษกันตามหมอดำควรจึงก็หมายความว่าทั้งสามจังหวะเนี่ยก็ต้องทําได้แต่พื้นฐานความอบุญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สมมติว่าครอบครัวเนี่ยสามารถสร้างความอบุญภายในครอบครัวให้ได้พ่อแม่ลูกคนภายในครอบครัวอยู่กันด้วยความรักใคร่ห่วงใ่ แล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะเห็นใครสูญเสียหรือพลัดพรากอย่างไปแต่ละคนต่างจะดูแลซึ่งกันและกันจนถึงเป็นลมหายใจของกันและกันปัญหาที่จะเกิดมันก็ลดลงไปเพราะาไอ้เรื่องกฎของกรรมเนี่ยครสรุปว่า ต้องการชี้ให้คนเห็นโทษชัดเจนว่าเหตุอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้แหละหรู้ผลอย่างนี้มันมาจากเหตุอย่างนี้มาสนจากเหตุไปหาผลมาสนจากผลไม่หาเหตุก็ได้แต่ว่าในสุดคนจะไปจากแก่ใจของตนเองว่าสับปชีวิตนั้นก็จะเป็นไปตามกรรมของตนคนทําดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชั่วไป นระการต่อไปเนี่ยเป็นการสอนให้มองถึงค่าของชีวิตกับการเวลาแต่การเวลาเป็นกฎธรรมชาติที่ทุกชีวิตในโลกนี้ได้มาโวยความยุติธรรมเหมือนกันหมายความว่านาทีละหนึ่งนาทีละหกสิบวินาทีเหมือนกันแล้วก็หกสิบวินาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงเหมือนกัน ยี่สิสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเหมือนกันตัวทั่วโลกแต่ว่าคนเราก็บริหารเวลาได้ไม่เหมือนกันบางทีก็บริหารเวลาไม่เป็นก็ทำให้เกิดปัญหาครั้ง น, นั้นก็สอนให้พิจารณาถึงวันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเฉพาะมันเวลาที่ผันผ่านไปเนี่ยมันเล่นเเราแก่ไปด้วย เราให้ใกล้ความตายไ ป, ปด้วยเราใกล้ความพลาดพรานสูญเสียก็ไปด้วยแต่เราเองก็ใกล้าตายกันไปด้วยเพราะฉะนั้นรเจ้าจะมีการย้ำเตือนให้คนในศสนะในการมองเห็นคุณค่าของเวลาไม่ให้เวลาถูกพราดผ่านหรือว่าสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์เช่นว่า เวลา่าได้ล่วงผ่านพ้นท่านทั้งหลายไปเราะคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังในการประวัระการพรุ่งเป็นการขโมยเวลาของตัวเองบางทีก็ย้ำเตือนในแนวที่ให้เราใช้เวลาที่มาถึงเข้าเนี่ยสร้างสรรพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ใดๆ จะนับสั่งว่ายะถายถายะถาย ะ, ถายะถาลาเพตตาถังตถาตถาตถาภรกรมยะประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดใดโดยวิธีใดใดให้ใช้ความพยายามในที่ดังนั้นๆโดยวิธีดัง น, นั้นแล้วก็ในขณะนั้นๆชีวิตเรามันเป็นเรื่องขณะขณะขณะขณะที่ต่อกันไปเป็นแถว ชีวิตที่มันมาได้จนถึงยี่สิบสาสิบปีห้าสิบปีหกสิบปี7จสิบปีเนี่ยจริงจริงมันต่อมาจากเสี้ยววินาทีหนึ่งของเท่าไหร่วินาทีมันก็ต่อกันมาเรอยมันก็จะกลายเป็นชีวิตแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็พร้อมจากการแตกดับวันอย่างในพัฒเดกรัตกาธา เป็นคาดเป็นการพูดถึงการบริหารเวลาว่าแม้จะมีราตีเดียวเนี่ยก็ประสบความเจริญได้อยู่ที่การใช้เวลาเป็นส่งแสดงว่าความเพียรพยายามควรรีบเร่งการทำเช่นในวันนี้ทีเดียวเพราะใครจะรู้ได้ว่าความตายอาจจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เนื่องจากเราทั้งหลายไม่สามารถจะปัดเพี้ยนต่อรองขอร้องหรือผัดผ่อนกลับประมาผะยามัจุราชผู้มีเศษนาใหญ่ได้เลยนี่ก็เป็นหลักการทั้งหมดที่เป็นหลักการสําคัญเพราะงั้นเมื่อกระตรวจดูว่าบันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ถามใจตัวเองที่ว่าวันนี้เราทําอะไรขณะนี้เราทําอะไรขณะนี้เราเป็นอะไรนะเวลาผ่านไปเท่าไรแล้วแล้วเราก็ควรจะทําอะไรแล้วก็ทําอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด บางทีก็ส่งสอนให้เห็นว่าคนเราแม่มีอายุตัง100้งร้อยปีแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยความโมโ ม, อมอประมาทแล้วก็สู้คนที่มียุวิชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ไม่โมโอ ม, อ ม, อมอประมาทไม่ได้แน่นอนถ้าคนมียอายุนานแล้วก็ไม่ประมาทแต่มันคุณค่าของชีวิตมันก็มากปัญหาว่าทำยังไงความคิดมันจะได้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่าง ยังเคยสังเกตแล้วก็มีความรู้สึกมาตั้งแต่ตั้งแต่บทใหม่ๆ ม, มานะคุณมีความรู้สึกว่าพระเราเนี่ยสูญเสียเวลาบางไปเกยเ ย, ยังอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีความชัดเจนในระยะในระยะหลังเขามีรถมาเรือมาล้มีรถมีเรือมาับแต่เดิมทีเดียวนี่ต้องเดินทาง เดินทางเพื่อไปสวดมนต์ฉันเพรในบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเนี่ยเดินซิเหนื่อยเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนะเสร็จแล้วก็ไปถึงก็ไปสวดมนต์ไปพิธีกรรมผ่านต่างๆไปตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็ประมาณละสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เดินกลับเพราะเดินไปก็ยิ่งหิวนะฮะเดินกลับมาก็ยิ่งหิวต่อ แต่มันกินเวลาไปก็ประมาณวันหนึ่งนี่ยสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแต่บางทีก็ไปพวกงานแต่งงานงานอะไรนโอยมันมีเลอกผ่านนาทีเข้าไปยุ่งเลยวันที่เราก็ปวดท้องปวดไส้ท้องไส้ก็ไปคดีอ่าแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาก็รอเลิกเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอะวางกันไปมันก็เสียเวลาทับซ้อนขึ้นไป ถ้าถามเวลาเนี่ยเรื่องดียามดีขณะดีครู ด, ดีเวลาดีเนี่ยมันดีจริงอ่ะหรือว่ามันก็เป็นเวลาเราเห็นว่าที่จริงมันคือเป็นเวลาแม้แต่วันนั้นวันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแต่อไรมันก็เป็นเรื่องกําหนดเอาเองเวลามันก็หมุนเข้ามาอย่างนั้นเนะี่ยมันไม่รู้เลยทําไปมันชื่ อ, อยังไงมันเวลาเท่าไหร่มันยังไม่รู้เลยทําไป มันเป็นเรื่องที่เรากำหนดขึ้นมาพระเจ้าก็สอในให้คิดว่ายามดีขณะดีคู่ดีเวลาดีมันอยู่ที่การทำดีทำดีตอนเช้าตอนเช้ากัท่านก็ดีทำดีตอนบ่ายตอนบ่ายกันท่านก็ดีทำดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ท่านก็ดีมันตัวความดีเนี่ยคือเป็นตัวเนื้อหาหลักว่าเราใช้ชีวิตไปอย่างไร มากกว่าใช้ชีวิตไปเท่าไรเราใช้ชีวิตแปอา จ, จะมากก็ได้แต่เลวเลยลเลอะเทอะไม่ก็เรื่องอะไรปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นความศูนย์เปล่าของชีวิตในสมัยโบราณที่ท่านพูดถึงแก่มะพร้าวเท่ามะละกอหมายความว่าแทนที่จะมีประโยชน์มากเนี่ยประโยชน์มันน้อย มะละกอเท่าเนี่ยมันต้นมันสูงมากแล้วก็ลูกเล็กนิดเดียวแล้วก็สอยากยาเลยมะพร้าวที่แก่ก็เหมือนกันคือต้นสูงหัวเดียวนะลูกก็ไม่ค่อยมีไม่ได้เกิดสาระประโยชน์เท่าที่ควรเพราะอันนี้นจึงทรงสองในให้คิดบ่อยๆในแนวที่ต้องการ เพื่อให้ครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจริงๆเป็นมันเป็นการไม่ประมาทจนถึงว่าเรียกว่าทุกลมหายใจขออย่าแนวกรรมฐานแนวเจริญสติเนี่ยเลยเจนว่หายใจออกพุทโทหายใจออกพุทธหายใจเข้าโทรหายใจเข้าโทรหายใจออกพุทธอะไรก็แล้วแต่จะว่าคือหมายความมาตั้งสติระ ล, ลึกรู้อยู่กับอารมณ์เหล่านั้น เพื่อไม่ให้จิตใจมันแปรผันวุ่นวายหรือว่าสายไปโดยไม่เกิดสารับไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรขึ้นมามันต้องคิดนึกบ่อยๆวันนี้เช้าแล้วนะเที่ยงแล้วนะจากเช้าถึงเที่ยงนี้มีอะไรเป็นสาระ บ, บ้าง จะเที่ยงถึงตอนเย็นเนี่ยมีอะไรเป็นสาระบางจากตอนเย็นถึงกาลางดึกนี่มีอะไรเป็นสาระบางมันก็ดูกันไปได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ตื่นเนี่ยลักษณะของพุทธสาวกเนี่ยสุภบุตรทางบวชชันติสดาโคตมัสาวกาเยสังดีว่าจาโ จ, จโตโตโ จ, จานิจังปัจจริโตสติภาษาวกของพระสมัมมาณคดมเนี่ยเป็นผู้ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ด้วยดีแล้วก็ตื่นอยู่ในการทุกเมื่อแล้วก็ตื่นทั้งกลางคืนกลางวัน นะโดยการประกอบความเพียรจะเรียกวิชากิยานุโยคโดยประกอบด้วยความเปิดความความเพียรในลักษณะที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นการเพิ่มสาระแก่นสารให้แก่ชีวิตของตนเองได้มากยิ่งขึ้นทัานฟังทลายแต่หลวพระพุทธยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงดงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี